สัมมาญาณนะความอย่างรู้ชอบนั้นก็อาจยกญาณสามขึ้นแสดงได้คือญาณความอย่างรู้ที่ระลึกขันเป็นที่อาศัยอยู่ในการก่อนคือระลึกชาติได้ญาณที่อย่างรู้ ความจุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงพบชตนินันนๆของสัตว์ทั้งหลายและยานคือความอย่างรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะกิเลสที่ดองกิตสัดาดสัมมาวิมุตติหรือวิมุตติความหลุดพ้นชอบ ก็คือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงสิ้นเชิงรวมเป็นสัมมตตะคือความเป็นสิ่งชอบหรือถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยชอบ ก็โดยเป็นสมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นต้นเหล่านี้ส่วนอีกความหมายหนึ่งอีกกล่าวว่า ความตรัสรู้ชอบของพระองค์นั้นมีพยานคือคือหรือผู้รับรองก็ได้แก่หมแห่งสาวกคือผู้ฟังซึ่งเป็นสิทธิของพระพุทธเจ้า ซึ่งในตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เป็นพยานในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับรองในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ในตรัสรู้โดยชอบจริงคือถูกต้อง ความตัดสรูของพระองค์ไม่ใช่เป็นของเทียมหรือไม่จริงแต่เป็นความตัดสรนใจริงคือถูกต้องจริงชอบหรือถูกต้องนั้นก็คือชอบหรือถูกต้องต่อความจริงทุกประการที่เรียกว่า บริสุทธิ์คือหมดจดอากความผิดพลาดไม่มีความผิดพลาดแม้แต่น้อยบริบูรณ์ก็คือเต็มที่ไม่มีบกพร่องแม้แต่น้อย สัจจะที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นบริสุทธิ์คือหมดจดถูกต้องทั้งหมดบริบูรณ์คือเต็มที่ทั้งหมดไม่มีบกพร่องหรือจะเรียกว่าไม่มีขาดไม่มีเกินบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่ ดังนี้คือความเป็นสิ่งที่ชอบซึ่งหมู่แห่งสาวกผู้ฟังคือสิทธิของพระพุทธเจ้าซึ่งได้จัสรู้ตามพระองค์ก็ได้รับรองได้เป็นพยานดังที่ได้ ปรากฏในความรู้ของหมู่แห่งสาวกของรพระพุทธเจา้าซึ่งได้ตรัสรู้ตามพระองค์ว่าอหโบตุทโธโอนนพระพุทธเจา้อาอหโธธรรมโธโอหนอพระธรรมอหโสรังโคโอนนพระสงฆ์คือพระพุทธเจา้า เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆพระธรรมก็เป็นประธรรมจริงๆประสงค์ก็เป็นประสงค์จริงๆเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาสัมพุทโทที่แปลว่าภูตรสรร โดยชอบและเองจึงมีความหมายถึงพระพุทธเจ้าซึ่งได้ประกาศพระพุทธศาสนามีหมู่แห่งสาวก ได้ตรัสรู้ตามได้ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกและได้เรียกพระพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสรู้เองแต่มิได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอน ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกว่าพระปัจเจกับพุทธคือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้จำเพาะพระองค์เองส่วนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วยังสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตาม สรางพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกก็เรียกว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะดังที่ได้ดังที่ได้มีแสดงพระพุท ธ, ธะไว้สามคือพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะพระพุทธเจ้าพูตสัลูเองโดยชอบ ซึ่งสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตามพระปจเจกับพุทธพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เฉพาะพระองค์ผู้เดียวและพระสาวกะพุทธะหรือพระอนุพุทธะคือพระพุทธ ะ, ะ, ทธะคือพระผู้ตรัสรู้ตามได้แก่หมู่แห่งพระสาวก ซึ่งไดจจัสรู้ตามระพุทธเจ้า ก, ก็เป็นพุทธะจำพวกที่สามอันเรียกว่าอนุพระอนุพุทธะเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าคำวมาสัมมานี้มีความหมายถึงว่าได้มีผู้อื่นรับรองเป็นพยาน ก็โดยที่พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยชอบเองได้ทรงสั่งสอนให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามได้ก็คือพระสงฆ์สาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกนี้เองก็เป็นพยานรับรองความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้เห็นพระพุทธเจ้าดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้แปลความว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมดังนี้คําวสังแปลวะสามะคือเอง ก็มีความหมายว่าความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นพุดขึ้นเองแก่พระองค์ดังที่ได้มี แสดงไว้ในปฐมเทศนาที่ตรัสไว้เองว่าจักคู่คือดวงตาญาณคือความอย่างรู้ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงวิชาคือความรู้แจ่มแจ้ง อาลลกะคือความสว่างบังเกิดผุดขึ้นในธรรมะทั้งหลายที่ที่ไม่ได้เคยทรงสะดับฟังมาก่อนพระพุทธภาสิต ท, ที่ตรัสแสดงไว้นี้ แสดงว่าความตรัสรู้ของพระองค์นั้นผุดขึ้นเองพระองค์จึงเป็นภูตรัสรู้เองและในปฐมเทศนานั่นเองก็ได้ตรัสแสดงก็ได้ตรัสแสดงถึงความตรัสรู้ของพระองค์ ว่าพราะองค์ด้ตรัสรู้อะไรซึ่งมีความโดยย่อว่าจากขูกคือดวงตาอันหมายถึงดวงตาใจยาหนังคือความอย่างรู้ ปัญญาคือความรู้ทวถึงวิชาคือความรู้แจ่มแจ้งอารลกะคือความสว่างได้บังเกิดผลขึ้นในธรรมะทั้งหลายก็คือในสัจจะคือความจริงทั้งหลาย ที่พระองค์ไม่ได้เคยทรงสดับมาก่อนว่านี้ทุกทุกนี้พึงกำหนดรู้ทุกนี้ทรงกำหนดรู้แล้ว นี้ทุกขสมุทัยเหตุในเกิดทุกข์ทุกขสมุทัยคือเหตุในเกิดทุกนี้พึงละเสียทุกขสมุทัยคือเหตุเกิดทุกนี้ทรงละได้แล้วนี้ทุกขนิโรดความดับทุกข์ ทุกข์ในด้วความดับทุกนี้ควรกระทําให้แจ้งทุกข์ในด้วคือความดับทุกนี้ทรงกระทําให้แจ้งแล้วนี่มักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนี้ เพิ่งทาให้มีให้เป็นขึ้นมักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนี้ได้ทรงทาให้มีให้เป็นขึ้นแล้วดังนี้เพราะฉะนั้นในปฐมเทศนานี้เอง เป็นเทศนาที่ได้ตรัสแสดงถึงความตรัสรู้ของพระองค์และก็ได้ตรัสแสดงชี้แจงไว้อย่างชัดเจนว่าจะขู่คือดวงตาอันหมายถึงดวงตาใจที่บังเกิดผุดขึ้นในธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ได้เคยทรงสดับมาก่อนนั้นก็คือในอริสัต์ทั้งสอันได้แ ก, ทก่ทุกข์ทุกข์ขันสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ขันความดับทุกข์และทุกข์ิโรธคามินีปฏิปทาหรือมักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และก็จะตัดแสดงไว้เองว่าความตรัสรู้ของพระองค์ที่ตรัตใช้คำมาจากขู่ดวงตาเห็นธรรมยานคือความอย่างรู้ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงวิชาคือความรู้แจ่มแจ้งและอาลูกะคือความสว่าง ก็รวมเข้าในคำว่ายานคือความอย่างรู้ยานคือความอย่างรู้คือความตรัสรู้ของพระองค์นี้ตามที่ตรัสแสดงไว้นั้นจึงมีบนรอบสามและมีอาการ1ิบสองในอริษัตย์ทั้งสี่ โดยที่เป็นความสัจรู้ที่เป็นไปคือวนไปในอริสัต ท, ทั้งสี่นั้นสามรอบโดยเป็นสัจญานความอย่างรู้ในสัจจะคือความจริงรอบหนึ่งว่า นิทุกนทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนิทุกขันิโรธความดับทุกนิโรธทคาม่นิปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกความจัตสรูที่บนไปในอริยสัจทั้งสี่โดยสัจจะคือความจริง วันนี้เป็นอย่างนี้นั่นเรียกว่าสัจจญาณเป็นรอบที่หนึ่งรอบที่สองก็คือญาณคือความยังรู้ที่วนไปหรือเป็นไปในอริสต์ทั้งสี่โดยเป็นกิจญาณคือความยังรู้ในกิจคือหน้าที่ซึ่งพึงปฏิบัต ว่าทุกพึงกำหนดรู้ทุกขสมุทยัยพึงละเสียทุกขนิโรธพึงกระทําให้แจ้งมัตคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกพึงอบรมทําให้มีขึ้นในเป็นขึ้นเป็นกิจคืนหน้าที่ซึ่งพึงปฏิบัติใน อ, อริสัต ท, ทั้งสี่ดังนี้ เป็นรอบที่สองยานคือความอย่างรู้ที่วนไปเป็นไปในอัตเลยสัตว์ทั้งสี่รอบที่สามก็โดยเป็นกัตยานคือเป็นความอย่างรู้ว่ากิจซึ่งพึงปฏิบัติในอัตเรียสัตว์ทั้งสี่นั้นได้ทรงกระทำแล้วได้ทรงปฏิบัติเสร็จแล้ว ว่าทุกนั่นได้ทรงกําหนดรู้แล้วทุกขสมุทัยทรงละได้แล้วทุกกรณีโรษทรงกระทําให้แจ้งแล้วมักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกทรงปฏิบัติทําให้มีให้เป็นขึ้นเสร็จแล้วดังนี้เป็นอันปฏิธรรมกิจเสร็จ ในอรีสัตว์ทั้งสี่เป็นรอบที่สามเพราะฉะนั้นพระยานคือความตรัสรู้ของหลวงปู่เจ้าจึงได้ตรัสแสดงว่าวนไปสามรอบหรือมีสามรอบในอรีสัตทั้งสี่ และสามคูณสี่ก็เป็นสิบสองจึงตรัสว่ามีอาการสิบสองดังนี้ฉะนั้นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นความตรัสรู้ ในอริสต์ทั้งสี่ทึ่งเวียนไปสามรอบและมีอาการสิบสองแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าความอย่างรู้นั้นบังเกิดขึ้นในขณะต่างกันจึงมียานคือความอย่างรู้บังเกิดขึ้นหลายขณะ ต่างๆกันแต่หมายความว่าญาณคือความอย่างรู้นั้นเป็นอันเดียวเป็นขณะเดียวแต่ว่าเป็นความรู้ที่เวียนไปในอภิสททั้งสี่สามรอบ และมีอาการ12ดังกล่าวนั้นในข้อนี้อาจจะเทียบง่ายๆเหมือนอย่างการดูนาฬิกาจะรู้เวลาก็ต้องมองเห็นหน้าปัดของนาฬิกา เห็นตัวเลขที่บอกชั่วโมงบอกนาทีเห็นเข็มสั้นเข็มยาวที่บอกชั่วโมงบอกนาทีต้องเห็นพร้อมกันในขณะเดียวกันคือเห็นหน้าปัดทั้งหมดในขณะเดียวกันจึงจะรู้เวลาได้ เพราะฉะนั้นการเห็นของลูกตาซึ่งหน้าปัดของนาฬิกาทั้งหมดนั้นซึ่งเห็นคราวเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมีหลายอย่างรวมกันอยู่ความตรัสดุของพระพุทธเจ้าก็จะพึงเทียบได้ ดังนั้นในความตรัสรู้ของพระองค์นั้นทรงรู้ทรงเห็นคราวเดียวแต่ได้รวมทั้งหมดซึ่งอริสัต ท, ทั้งสี่โดยมีวนรอบสามมีอาการสิบสองรวมกันเป็นคราวเดียว เพราะจะนั่นจึงเป็นความจัตสรุเองโดยชอบเหมือนอย่างการที่มองดูหน้าปัดนาฬิกามองเห็นทั้งหมดในหน้าปัดนั้นคราวเดียวตัวเลขทั้งหมดเข็มสั้นเข็มยาวทั้งหมดจึงจะบอกเวลาได้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรได้ตรัสรู้อะไรตรัสรู้อย่างไรได้ทรงแสดงไว้โดยแจมแจง้งในปฐมเทศนาของพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเป็น สัมมาสัมพุโทโธผูตสัรุเองโดยชอบและเมื่อได้มีพระมหากรุณาเสด็จไปทรงแสดงธรรมะสั่งสอนได้มีหมู่แห่งสาวกในตัดสรุตามพระองค์พระองค์ก็ได้ทรงมาสัมพุโทโธเต็มที่ ในความรู้ความรับรองของผู้อื่นซึ่งในตัดจะรู้ตามพระองค์และได้ความรู้ความรับรองพระองค์ว่าได้ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะแท้จริงเพราะฉะนั้นพระพุทธคุณบทนี้จึงมีความที่สำคัญซึ่งเมื่อ ได้ตั้งใจศึกษากำหนดให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วจะได้รู้จักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวนและตั้งใจทําความสงบสืบต่อไปบัดนี้จาก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 ในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทที่สามวาวิาจารณะสัมปันโนผูถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เพื่อเป็นการเจริญพุทธานสติระลึกถึงประคุณของพระพุทธเจ้านำพระพุทธคุณบทนี้แปลตามศัพท์ว่า อูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะวิชาได้แก่ความรู้ที่ถูกต้องทองแท้แจ่มแจ้งตามเป็นจริง วิชานี้ที่ตรัสแสดงไว้เองถึงพระองค์เมื่อทรงเป็นประโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้ ได้ปฏิบัติในข้อปฏิบัติ